ศึกษาธรรมศึกษาธรรมศึกษาชีวิตก็คือเรื่องศึกษาเรื่องของตนเราศึกษาสติใจสติเป็นตัวที่จะไปศึกษารื่เรื่องกายเรื่องเรื่องใจจะดีใสเชื่อจะสุขจะทุกข์จะผิดจะผูก เป็นสนีเป็นพระเป็นเศษเป็นตัณฑลก็จะเป็นเรื่องของกายของใจเรื่องจาตวาจะเป็นเรื่องของกายของใจน่แหละถ้าเรามีรู้ของกระหลอกถ้าเรารู้มันกระหลอ่อมนี่แหละตัวที่รูกกายลู้ใจสือสติอย่างอื่นรู้ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของสติที่จะไปลู้กายลูกใจ เราเจึงต้องสร้างกสติเพื่อดูตายดูใจแงนันเห็นตายเห็นจิตใจไปเห็นอย่างอื่ก็ไม่ถูกไปเห็นหน้าจะิกายเกิดใจไม่ถูกไปเห็นมุมิดไปเห็นสีเห็นแสงมน้าเกิดกายไม่ถูกตัดมาตรงนี้เลยเป็นหลับใจนักปฏิบัติเอาให้เต็มไม่ต้องเสียเวลา แต่วิธีจเจริญปกติตี่จเป็นวิธีสิรัตไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นและจะไม่ให้เกิดจ็มีปฏสิทีนิจอะไรต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้จนขาดปกติเขก็เป็นหลาล ย, ลยาแล้วให้ก็ทำขึ้นมาว่าโกิดาจ้ามันตาจ้ามีบัต มันเรีกว่าขาดสติขาดดวงสติจริงๆนิตๆก็ไม่มีมีแต่สติสเข้าไปเห็นตายเคลื่อนไหวห็นใจมันคิดเห็นชัดเจนคือเห็นมันเกิดมันดับทางตายทางใจโลกทางานามนรรมมันเกิดมันดับคนในที่สุดเมื่อสตินี้มากพอ เกิดญาณปัญญาขึ้นไปรู้ไปเห็นลูกทำนามทำเห็นลูกทำนามทำลูกทำนามทำมัำนก็บอกทึ้นไปสอนอะไรเป็นธรรมชาติอะไรเป็นนาการลูกเป็นอะไรนามเป็นอะไรธรรมชาติของลูกธรรมชาติของนามเป็นอะอาการของลูกอาการของนามเป็นอะไรมันจะบอกบอก่อ มันจะแสดงอะไรเห็นอะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จการไม่เที่ยงการเป็น ท, ทุกข์ต่างๆเป็นแตกเป็นหยาบหลันจะกลุ้มันจะย้ายหกปันยิงน่งมีกติมากะยิ่งกาหมัดจดจริงเห็นแจ้งกติมามันจะกลางรันก ต, ติมามันจะแสง เทียแสงตะเกียงแสงเรือง แ, งแตฉะนั้นหน้าที่เราต้อือนช่างสติต่างสติไม่ส้องช่างอย่างอื่นไม่ต่อ ง, ง, ง, องใช้มันจม น, นังไม่ใช่ความคิดนะอย่องเนีเ้ยเหตุผลอะไรในต่อให้จนคำถามจริ ง, งนี้มสติเข้าใจ รู้าตุเอากายเอาใจนี่เปนวัตถุติดตั้งจนรู้สิดเตี้ยไปรู้ที่ยก็ไม่ถูกต้องรู้กายเห็นตายธีใดที่จะรู้สิดเาาตี น, นาซ่าเต็มจังโตมากติดจังโงละมาติดในเครื่ง อ, องในน้ อ, องในให้รู้สิด เอากลางกมาเจอที่ระรเลกเก็นาใ้ใจคล่องคล่องกันให้รู้คล่องคล่องกันมีวัตที่ให้รู้ะเด็ที่รู้เห็นระเป็นของจริงเนี่ยเห็นขจริงนี่แตกจิตใจไม่ต้หาสหดมันมันคิดขึ้นมาล้เขืนไหลของใจก็เห็นมันเห็นแล้วจะไปจนคิด แตถ้าไปอยู่ในความคิดเห็นคนิดควาคิดมันก็หยุดสัดมาดูตายนี่ต่อไปอีกเห็นเดียวนี่ทำไมเ ม, มื่อสติมันเพิกมันเห็นตายเห็นใ จ, จอยู่ตลอดเวลาหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันหวันเจ็ดวันสติมันจะคุ้นเคยสักตายสักตา เมื่อสติมนคุ้นเคยกันกับใจกับใจก็เหมือนกับพวกเราอยู่ด้วยกันนานๆเขาคุ้นเคยกันอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือกันทันทีหากพระชื่อนั่นโยมเจ้านันเราจ้านั่นได้จิตาจเจ้นันเฮ้เพื่อนเช่วยกันถ้าไม่เห็นกันไม่อยู่ด้วยกันก็จปกกันกันแน่ถ้าไม่ก็ดีนะในสติ ทกทกกายกจอยู่ตลอดเวลาสติกับใจจับใจก็คนกันลยาหมุนนิดกันขึ้นมาทีแรกเราสร้างสติเฉยๆแต่ไปฏติมันจะตึงฟองจังกันรักษากายใจเต่าใดรมันล้มมันไม่เอาแพ่มันรู้ว่าหลงมันเป็นอย่างไงมังรู้เป็นเพื่ออะ มันเกีสัมผัสมันเป็นการสัมผัสไม่ใช่เป็นการจําการปฏิบัติธรรมถ้าใครไปจําเอาจนนั่นจะได้ของส่งสอบอะไ้ของจริงอะไ้นนสัมผัสการที่เราสัมผัสจะตีสัมผัสกับกายจนทำนิสัยจที่สุดจนนั่นเดียว ทั้งกายทั้งใจเป็นความนิ่ตัวเดียวจิตใจมั้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนภาวะไปเพราะมันเป็ น, าานกฎข อ, อ, อ, องธรรมชาติประมาณนี้เราโบกเพื่อเพื่อทีเขียวลึกปะหาเราโบกในสุนัขปุมพดีพอดีเพื่ยทีเขียยวกลายเป็นสีเหลือง รถศาสตายเป็นลถหวานมันเปลี่ยนรถเปลี่ยนข้าเปลี่ยนคิดเปลี่ยนตงรถศาสจรงไม่ได้เป็นคิดเป็นไปสีเขยวมียางหมดยางเป็นเปลี่ยนเป็นลถหวานชิตของคนเรานกนนึ่งอาจจะหลงอาจจะมีคิดมีไปไปกูกูแกลแก พอมีตบิเข้าไปรู้มากเข้าไปแต่รู้ของกายกองใจมันก็เปลี่ยนแล้ว ม, มันก็เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนจากการบอกเลก่าไม่ใช่เปลี่ยนจากการจดจำเอาไม่ใช่เปลี่ยนจากการไถ่ถามธรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมที่จำแนกไปเป็นกรรมที่จำแนกไป ให้เปืี่ยนไปพ้นไปเนี่ยเป็นเป็นการเรียนนัด <c oughs> เป็นการเรียนนัดเป็นการเรียนตรงๆนงแแต่พูดพยายามพูดให้มันตรงๆเดี๋ยนี่เราเก็ยวเวลามากเราต้องคจากคุดนคนไทยเลยการศึกษาพุทธราสนาเนี่ยโค้งที่สุดเปล่นอาหารแล้วพยายามหาเรื่อง่ายเรื่องต่างแทนที่จะเข้ามาตรง สวมตัดตัดความสตัวไม่มีเลยนั่นงตีกันกระโจมตีกันชั่วโมงไม่ได้พูดถึงกัรไมสุดตัวเป็นเรื่องอื่นลองก็ให้ฟังการได้ยินดีเป็นเรื่อง เ, องเวานายอ น, อนอกตัวนอกตนไปเพราะฉะนั้น ขอให้เราได้มีโอกาสถ้าเรื่องนี้เนเป็นหน้าที่ของเราโดยตลอเราจะสอนตรงตรงเราจะพูดตรงตรนี่สำคัญขนาดมันเสียวเวลามานานแล้วการสอนทำการเสยแพร่ทำเสียเวลานะ่าใครจะเคยได้ที่คือเวทีของตกลงสอ น, นตรงตร ง, ตรงไม่เบื่อใคร เกีกับวิธีดีต่างเราทำกันมาเนื่เราเจองาการเขาจนเขาไปตื่นตั้งต่งวิธีใดที่เราจะได้สมผัติกตจิเอาเลยเราปิบวิร่อเราก็สร้างให้อย่างดีเรกปฏิอยคะมาหลัง้าหลังาระท้วงเกิดการทำมัก็จัดให้อย่างดีเราประท้วงปฏิโยคะให้สมบัติปัจจิ ทำไมที่นี่ไม่ได้สัมผัสสัติกะระเดตที่คนคนนี้นแต่พูดพูดเรื่องนี้เล่เรื่องอที่ดีๆตอนศึตษาตอนนี้เท่า น, นี้นเพื่อให้พวกเราตื่เขึ้นหรือจิตหายใจทางาของการศึกษาถ้ารู้เรื่องนี้แล้วจะรู้อะไรต่อไปเราต้องเชื่อว่ามันจะไม่รู้ กลองคนมีกันหอม ต, ต่ากกันจากต่างประเทศมาถามหลวงพ่อหลวงปู่เทียนสอนไม่เห็นเปรเรื่องขาดธรรมราผู้ปฏิบิการปฏิบัติธรรมจะถึงเมดผลหรือถึงมิตรภาพอย่างนั้นต้องผ่านทางที่สี่จิตใจต้องแน่แน่จึงจะเข้าถึงมิตรภาพ แต่เราสอนไม่ได้พูดเรื่องชาตินี่เขาจะทำแสดงว่าคนจ้องต้องการแต่คําถาบจะเอาความรู้จากคําถาบถ้าจะพูดไดกว่าปฏิบัติธรรมหรือปรมาจารย์ธรรมจริงๆมันไม่ได้เกิดจากคำสาบแรกคนอื่นตอบให้ก็ไม่ใช่ต้องตัวเราเป็นคนตอบ แล้วไม่มีคำตับก็จะเราีีแต่คำตอบมีแต่คำตอบให้แต่การที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้กันมันก็ไม่ผุแต่ละนักหนทำจงเป็นปติยังไงตั้งสตีนะตั้งสตินะคำพูดถึงขบวนสนแติจริงๆริไม่ใช่คำพูดมือรางไว้บเข่าไปแขงมือขึ้นดิ๊บวอขึ้นอันนี้แหะ จะเป็นจะเปนการถันหลงไปได้คําถามออกมแหละเป็นการแสดงธรรมการเคพื่อนไหวเนื้อเป็นการแสดงธรรมเป็นการเกล็ดแก่การที่คนอื่นเพื่อนให้ฟังยังไมนใช้การแสดงธรรมที่แท้จริงการแสดงธรรมที่แท้จริงคือการตาลุกความเปลี่ยนมีสติไปกับกายเคลื่อนไหว เวลามันติดลึกสุดตัวนะมันสมบูรณ์ที่สุดมันมีทั้งคำถามมีทั้งคาตอบมีทั้งจิตได้ดีทั้งแก้ความผดมีความผูกไม่ได้ความผิดแก้ความผิดให้ผูกก็อยู่ในอิบอที่เราปลารื้อความเกียดอยู่ในนั้นสมบูรณที่สุดการที่เราที่มีโอกาสเป็นเวลาที่ป็นักบวกตอง ตองรีบตดือดะเอาให้ตรงซะเรียนตรงนี้แหละเป็นตรงที่ไม่ต้องเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆผมพูดอยู่ที่จเป็นเป็นประกอบเป็นเป็นประกอบแต่ไม่ใช่เป็นจริงจังเป็นเป็นประกอบที่จะให้เลือกทิศทางแผนที่เพื่อที่จะศึกษา เนการเยียหยัดแต่เป็นการพาดทายในการสึกษาถ้าผู้ใดทำอย่างนี้ก็รับรงได้เลยไม่ผิดถ้าในสติมาดูใจในสติมาดูใจเนี่ยไม่ผิดเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นการอยู่โดยชอบแล้วเมืเราอยู่ได้ชอบ ยังก็เรื่องในหนองหองมันจะไป็นมันก็ตังเรื่ที่นี่อะไรเรื่องอยู่นี่เห็นอยู่นี่เจ็บายเห็นใจอยู่นี่การเรื่องทการเห็นทำก็ไม่เคยเห็นเรื่องอยู่อยู่ในนี่ทั้งหมดบางที่พุทธะทั้งต้นต่เป็นมากเป็นผลเป็นกระสันกระสานจะเป็นเรื่องเกิเรื่องและเลิกเรื่องเทวดาอะไรก็ตามมันก็เรื่องอยู่นี่เรื่องอยู่ในกายในใจ เทวดาไม่ใช่อยู่ที่อืนพระไม่ใช่อยู่ที่อืผีไม่ใช่อยู่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจอ่าสติจป็ต้องศึกษาสตินีน่เป็นตัวการของการศึกษาที่จะถงลุงที่จะย่ยอยออกโอเคกดจิดลึกเอาเอาสติเข้าไปเลยนี่การรู้สึกตัวเข้าไปดูตายดู ใ, ใจเข้าควา พอแล้วการศึกษาการปปิปมันก็ไม่ยากแล้กถ้ามันก็ไม่ง่ายแล้อยู่ในกามูมีแล้วในตัวเราจะกนเรีนผู้ยิ้มผู้ตายฆ่าใจภาษาใดต้นอะไรยังไงอยู่นทั้งหมดปติตีเหมือนกันพระกับโยมก็มีปติวันตันกรรมเกิดกันมันกตรงหลงกันมันกรรมกำเริบกำหนาวกันมันกร้มกำหิวกันมันกรร คนชาติจภาษาใก็เหมือนกันต่นันศาสนะการศึกษาศาสจริงศากตร์คนคืเรื่องนี้แหละเรื่องชีวิตงากชีวิตท่นอยากไปรอเราให้เสียเวลานี้แน่ๆเอาไว้ไม่ดีกวศึกษาเลยอยตั้งเวลาคิดไปทอะไรนเราที่เราจะเ้ืกตัวสร็ ห <c oughs> าเรื่องพยายามรวบรวมจะไม่ใสเป็นปัจจัยจการการเท่กจะเป็นส่วนประกอบไปเรื่อยไปไปเห็นร่าพอเป็นแขนที่แบบแขนให้แก่พวกเราที่ปฏิบัติตามมาปฏิบัติจังผมพูดจะไม่รู้ถ้าเราปฏิบัติใกล้สัมผัสแล้วก็ตังพูดไปด้วย อาจจะเลสิ่งที่พูดก็เป็นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำก็เป็นสิ่งที่เราพูดมันก็มีมีรหัสมีเพื่อนรับเลืเ่อนๆแต่เกิดความต้งเดินไปไห น, นละแยะของคนเกินเรื่องราวจบแค่นี้